เีอสมเด็จพระบระมครูทรงตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ท่านพู้หาข้องอยู่ไหม <c oughs> นี่หมายความว่าคำว่าโลกก็หมายถึงว่าสัตว์ที่มีชีวิตคือคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดที่คนโง่องมองแล้วเห็นว่าสดสวยงดงาม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 ถ้าเขาว่าร่างกายของเราไม่ดีเราโกรธกทำไมในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาว่าดีหรือเขาว่าชั่วถ้าเราเลวเขาชมวันดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคาเขาพูดถ้าเราดีเขาติว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดระยึดถือไว้ทำไม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 ถ้ากําลังใจของเราไม่ติดอยู่ในธาตุสี่สูงขึ้นไปอารมณ์ใจของเราก็ตัดกามะชันทะได้ไว่าไ้ร่างกายเรลวๆที่สุภปกต์อย่างนี้จะไปรักเพื่อประโยชน์อะไรจะมาประคับประคองเพื่อประโยชน์อะไรความโกรธความไม่ชอบใจสําหรับวาทะขคำบกคนเลวไม่มีสําหรับใจเรา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 คือฉันท้าความพอใจในท่าสีไม่มีสำหรั บ, ร, บราคะการเห็นว่าทาสีที่เต็มไปได้วยความสุขปรกอบไม่มีสำหรั บ, ปรบเป็นนั้นว่าทาสีนัตนบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ติดใจทาสีของเราและก็ทาสี่ของคนอื่นแม้แต่ทาสีที่เป็นวัตถุก็ไม่มีความปรารถนาสำหรับเรา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 แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเขาเลวคิดว่าร่างกายเป็นเที่งวเป็นท่าสี่เนี่ยมันเลวหมดวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดเลวหมดจิตหลุดเส้นได้แล้วอาการมใจก็มีอย่างเดียวคือมีความผ่องแผ้วมีอารมณ์เป็นสุขที่ไม่ไม่เจือเวเดอมิตรที่เรียกว่านิรามมสสุขสุขแบบปลดปลงมีความเบาใจสบาย อะไรท่านอย่งหลายการพูดมาเวลาการก็สมควรกับเวลาสําหรับการแนะนําพระกรรมฐานในด้านที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรใหม่คําว่าหลักสูตรใหม่จะ่ไม่ใช่ของใหม่รวบรวมกําลังใจรวบรวมกาลังพระกรรมฐานเข้ามาเป็นหมดหม ด, หมดเพื่อมีความเข้าใจในการปฏิบัติสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อ น, นี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว